ก็ S <S <an> ในช่วงที่เราตามรู้ทางกายเนี่ยเราก็บอกว่าดูกายเห็นจิตใช่ไหมมันจะไปรู้จิตเองถ้าสมมุติเราดูถูกดูเป็นนะแต่ถ้าหาดูกายไม่ถูกไม่เป็นจิตมันก็ไม่ได้สติตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทําหน้าที่ดูจิตพอตัวสติสมัมมาญาที่เป็นสมาสติที่เกิดทางกายเนี่ย มันไปพัฒนาเป็นตัวยานปัญญาที่จะไปรู้จิตของมันเองนะที่ว่าเวลาสลวงพ่เทียนพูดแมวกับหนูอ่ะเราจะไปจับหนูเองเนี่ยไม่ทันเห็นไหมก็เลี้ยงแมวเอาไว้ที่นี่เราจะไปไล่ดูจิตไม่ทันก็ต้องมาเลี้ยงแมวคือเลี้ยงตัวสติที่เกิดทางกายนี่เอาไว้แต่สติที่เราดูทางกายชัดๆเนี่ยมันจะไปรู้ความคิดของมันเองแล้วปัญญามันก็ไปจัดการ เพราะฉะนั้นจึงเน้นดูกายการเกิดดับของกายที่อยยากให้ชัดเช่นครับแต่ึกขึ้นลงเนี่ยครับตานี้เป็นเกิดลืมตาหรือเป็นดับอันไหนเป็นเกิดเป็นดับหายใจเข้าเป็นเกิด ห, หรือเป็นดับรูดัวเนี่ยแต่เรารู้ว่ารู้สึกนะดูบนความรู้สึกแต่ภาษาสมมุติว่าเห็นการเกิดและการดับของมันเห็นการเข้า และการออกแต่เราไม่ได้ใช้ภาษาสมมติว่าการเกิดดับเราใช้สมมติว่าหนั ก, กว่าเบาเข้าออกลุกหรือยืนหลับหรือลืมตาใช่ั้ยอันนี้เราใช้ภาษาตามอาการแต่ภาษาทางการคือว่าการเกิดและการดับแต่ในส่วนที่เป็นกายรู้สึกทางกายก็เป็นการเกิดดับทางกายรู้สึกทางเวทนาก็เป็นการเกิดดับทางเวทนา รู้สึกทางจิตก็เป็นการเกิดดับทางจิตรู้สึกทางอารมณ์ก็เป็นการเกิดดับทางอารมณ์แต่ภาษาที่เป็นปริยัติและการเกิดดับเรื่จุติและอุบัติแต่ถ้าภาษาที่เกี่ยวข้องกับอาการก็คื อ, อว่าหนักว่าเบาว่าเข้าว่าออกว่าเหลวว่าลุกว่ายืนอะไรเนี่ยเราก็ดูเรียกว่าความรู้สึกอันนี้ก็คือเรียกให้ชัดเข้าไปเพราะั้นเราจะเห็นว่า ทางการตามรู้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นไอ้หนไม่เสียบตรงนี้ศส่เสียบตรงนี้ได้เนี่ยอืเราจะเห็นว่าการตามรู้เนี่ยมันจะละเอียดขึ้นทีขึ้นนะนะในการศึกษาแล้วก็เวลาเราดูตรงที่ชัดเนี่ยความคิดมันเกิดมันก็จะเกิดชัดมันไม่เกิดแบบรลรยอยใช่ไหม เห็นก็ามคิดชัดไหมที่มเกิดความคิดมีกี่อย่างอืดีตอนะคดความจริงเคยบอกความคิดหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นเลอยๆที่เราไม่รู้มันเกิดขึ้นเลอยๆที่เราไม่รู้ไม่ใช่กลมหรือเปลี่ยนแปลงเราก็คิดโดยที่เรา ไม่รู้อันนี้เขาเรียกความคิดที่ลอยๆมาอันที่หนึ่งนะ mm. เรียก ว, ว่าคิดเกิดด้วยไม่เจตนาสองเอ๊ะเดี๋ยวจะไปทำมันนั้นซะหน่อย mm. ตั้งใจคิดเจตนาที่จะคิดประเภทที่สองใช่ไหมแล้วประเภทที่สามอะไรประเภทที่เป็นธรรมารลมเช่น เวลาตาหูจมูกนิ้วแกใจพันรูปเสียงกิเลสขึ้นมาก็ปรากฏแวบหนึ่งแวบหนึ่งมันก็เหมือนไม่ใช่ความคิดแต่มันก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวเจตสิกไงเป็นความคิดเชนนีหนึ่งทิฏฐามันก่อนทําหน้าที่รับรู้ให้ที่ผ่านเข้ามาสู่จิตผ่านทางตาหูจมูกนิ้วแกใจพันมันจะทําหน้าที่รับรู้ท่านเองซึ่งตัวนี้มันก็ทําให้เราได้เห็นตัวเทศของความคิด ห, หนูวันหลังต้องมาก่อนมาจาเตรียมอะไรตอนนี้ไม่ทับรู้ว่าเราทำถุก ว, วันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการาเสียบใหม่เห็นว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้เราจะเห็นแยกประเภทของความคิดได้ชัดขึ้น แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจให้ชัดอย่างนั้นนะเราก็อํารบรวมไปซึ่งมันไม่มีความชัดเจนนะเราก็ไหลไปตามความคิดเรื่อยๆไหลไปความรู้สึกเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเลิญสติแบบเพลินๆไปเนี่ยเราก็ทำได้อยู่มันก็สงบไปเป็นรักๆแต่ว่าเราไม่เห็นรายละเอียดว่า ความคิดตอนที่มันยังไม่เกิดมันอยู่ที่ไหนเวลามันเกิดมันมันมาจากไหนแล้วมันหายแล้วมันมันดับอย่างไรเนี่ยดูดูไปทีได้อย่างอันไหนที่ทันก็ดูไปอันไหนที่ไม่ทันแล้วก็แล้วไปนะอันนี้คือวิธีดูแต่อันไหนที่ไม่ทันเราจะไปไล่มันดูก็ไม่ใช่อันไหนที่ยังไม่เกิดจะไปตามดูก็ก็ไม่ได้เพราะนั้นเหตุที่จะเกิดความคิดและอารมณ์มีได้ตลอดเวลา เพียงแต่ตัวสติไม่ชัดเท่านั้นเกิดแต่ถ้าหากว่าตัวรู้สึกชัดอย่างสมมติว่าเรานั่งเราปวดหลังเนี่ยนะมันเกิดทางกายแต่ช้สติตามเห็นอาการปวดหลังชัดเนี่ยตัวนั้นก็ไม่ใช่เป็นอาการปวดละตัวนั้นก็คือเป็นเวทนาเห็นเวทนาชัดแล้วแต่ว่าเราจะดู ทนดูมันหรือไม่ถ้าเราทนดูมันต่อไปมันก็เป็นการศึกษาใช่ไหมเป็นจิตศกขาไปเป็นศีลศกขาไปแต่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ได้ดูตั้งใจดูมันจริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าความปวดมันก็เกิดจีงีจีงๆขึ้นมาในใจเราก็จะเข้าไปสําคัญมันหมายว่าตัวนี้คือยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเป็นอยู่กับมันจะเคยชินมานาน มเมื่อชีมานานายการที่เราจะดูออกมาว่าเป็นอาการของทุกข์ของกายล้นๆ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใจเนี่ยอันนี้มันยากเพราะฉะนั้นอาศัยว่าดูบ่อยๆสมมุติว่ามันเกิดทั้งสิบครั้งก็ตั้งใจดูมาชัดชัดดูสักครั้งหนึ่งถ้าจับชัดได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็ไม่ยากและนะพรดูสะอาการหนึ่งเรียนรู้สักตัวอย่างหนึ่งเรียนรู้ความรู้สึกสักตัวอย่างอนหนึง่ง ให้ชัดเข้าใจไหมเหมือนเลขอ่ะถ้าทําตัวอย่างถูกข้อหนึ่งเนะี่ยข้อต่อไปมันมาในฟอร์มเดียวกันมันทําได้หมดแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างครูให้การบ้านเราแล้วเขาใจะให้ตัวอย่างใช่ไหมเราก็บอกว่าทาตัวอย่างให้ได้อตัวเลขอาจจะไม่เหมือนเดิมอแต่ว่ามันคือในสูตรนี่แหละตัวอย่างสูตรทั้งหมดคือบวกลบคูณหารนี่แหละแต่ตัวเลขที่เขีว่าบวกลบตัวเลขอะไรก็ได้ถ้าเรา จำเปนสู่รทงมันเพราะฉนสูตรทังมันก็คือว่าถ้าเรามันปวดอย่างเงี้ยร้อยวันพันปีมันก็ปวดอย่างเงี้ยแล้วก็คีดค่ากี่คนมันก็เจ็บอย่างเงี้ยแต่ในบรรดาความเจ็บปวดที่เกิดดับเกิดดับเราไม่เคยตั้งใจศึกษามันให้ชัดสักอย่างเร็วมันก็จะเห็นอาการทั้งหมดเป็นตัวตนจะเห็นอาการชัดชัดสักอย่างหนึ่งอาการต่อไปมันก็ไม่สงสัยและอ๋อเป็นอย่างนี้เอง ไม่สงสัยดังนั้นเองในเวลาเราสวดท่านใช้คำว่าปรญชานาติในแง่ของกายเนี่ยใชย้ว่าคัาชชนโตวะคัชชามีติปรญชานาติบอกว่าในแง่ของกายเวทนาดูให้ชัดแต่พอมาในหมวดของจิตท่านใช้คําว่ า, าสภกายะปฏิสังเวทาสสามีติสิกขิท่านใช้คาว่าสิกขิเห็นไหม คือท่านในงแง่ของเป็สภาวะเนี่ยให้ให้ศึกษาแต่ในงแง่ของตัวรูปท่านให้ดูให้ชัดค้าชั่นตัวว่าค้าช้ามีติประชานาติแต่พอในงแง่ทางกายทางจิตร่วมกันท่านใช้คาว่าสัมประชานาการีท่านไม่ใช่คาว่าศึกษาท่านไม่ใช่คาว่าประชานาติใช่ไหมอะโลกิเตวิโลกิเตสัมประชานาการีหตินั้นการหมุนซ้ายไหลขวาเนี่ย เรียบทย่อยเนี่ยมันเป็นการรวมกันนิดๆระวังกายกับเวทนานะกายกับเวทนาก็เลยจะใช้คําว่าสัมปชัญญาภาภาะปัพพะสัมปชัญญะปัพก็เลยว่ามันมีสามอาการนะที่จะรู้หนึ่งเรื่องของเป็นรูปให้รู้ชัดสองเรื่องของเวทนาให้รู้พร้อมสามเรื่องของจิตให้ศึกษามันจะมีสามคำสัมปชานญะกาลี ให้ดูให้มีรู้สึกตัวทั่วพร้อมใช่ไหมนี่อาการของเวทนาละรู้ทั่วพร้อมพอมารู้ที่มันเจ็บเป็นส่วนๆเนี่ยปวดขาปวดหลังเป็นจุดๆให้รู้ให้ชัดแต่ถ้าหากว่าดูทั้งทั้งตัวเนี่ยให้รู้ให้พร้อมสามประชานาการีแล้วส่วนประจําใช่ไหมจำได้นะแล้วก็เวลาในส่วนของแง่ที่เกี่ยวข้องด้วยจิตท่านใช้คําว่าสิกติอัศวมิติสิกติจะศึกษา สึกอาแปลว่าเข้าไปดูใกล้กว่านั้นอีกนะดูใกล้กว่านั้นอีกนะอันนี้คือวิธีการดูแล้วก็อันไหนที่มันเป็นสูตรเนี่ยท่าให้จำนะให้จำแต่บอะไม่ต้องจำให้ดูเฉยๆวงทีมันก็เวลาเราจะาไปศึกษาในรายละเอียดเนี่ยเราไปไม่ถูกสมมุติว่ามีช่างสองคน คนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเด็กที่อยู่กับโรงซ่อมอู่ซ่อมรถแต่เล็กโตมามันก็ไปช่างชำนาญใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมันไปเรียนวิทยาเทคนิคไปเรียนวิศวะโยาโธาวิศวะทางเครื่องมาก็มาอยู่อู่มาทางานในอู่เหมือนกันแต่พอทำงานสิบปี ไอคนที่มามีประสบการณ์สิบปีกับไอคนที่เรียนมาแล้วก็มามีประสบการณ์สิบปีเหมือนกันเนี่ยคิดว่าไอสองคนเนี่ยมันรู้แตกต่างกันไหมไอคนหนึ่งที่เป็นเด็กอู่มามาซ่อมเลยเดี๋ยวโดวยไม่ต้องเรียนวิทยาศาสมันก็จะชํานาญในแง่ของการรู้วิธีทําำะนะแต่ไอนั้นสิบปีรู้ทั้งสองอย่างรู้วิธีทําด้วยแล้วก็สามารถเห็นกระบวนการขั้นตอนแล้วก็สามารถที่จะต่อไป ขึ้นไปสูงแต่ว่าไอ้เด็กที่เข้ามาเรียนโดยที่ไม่วิชาการอะ่ะมันจําได้เท่าไหร่มันก็รู้เท่านั้นแต่เด็กที่มันเรียนมาเนี่ยนอกจากมันจําแล้วมันจะเข้าใจขยายต่อไปด้วยสามารถผลิตลดได้ด้วยแต่ไอ้เด็กอูนี่ไม่ได้ได้แต่ซ่อมไปเรื่อยๆใจจะผลิตลดผลิตอะไรขึ้นไปไม่ได้นี่ผลของการรู้ทั้งสองส่วนครูรู้ในรายละเอียดด้วยทฤษฎีด้วยแล้วก็รู้ในส่วนที่ประสบการณ์ด้วย ถ้าคนสองคนมีอายุการทำงานเท่ากันเนี่ยไอ้คนที่มีทฤษฎีเนี่ยมันจะผลิตของใหม่ได้ด้วยเพราะมันรู้วิสูตรผสมรู้ไอ้รายละเอียดอะเยอะขึ้นดังนั้นถ้าเราต้องการพัฒนานการปฏิบัติให้สูงขึ้นเนี่ยเราจำเป็นต้องจำทฤษฎีไว้นิดหน่อยจำง่ายๆก็ได้เวลากายในเรื่องของกายมีอะไรบ้างซึ่งเ้ิ่าตั้งแต่วันแรกเรื่องของกายที่จะดูมันมีอะไรบ้างยังจได้อยู่ไหมิบีม น, นีเขาเลกเด็กอู เข้ามาทําในอู่เลยไม่ต้องจําทฤษฎีก็ <c oughs> เรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นช่างซ่อมแบบเข้ามาอยู่ในอู่เลยว่า น, นะไม่ต้องจําแต่ซ่อมเป็นนะเกิดโดยซ่อมเป็นแต่จะจะให้ผลิตอะไรนี่ไม่ไม่เป็นอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะแต่เงินเดือนทั้งสองคนนี่ก็ต่างกันเลยนะเงินที่จบทฤษฎีมาเงินเดือนมันก็สูงกว่า <c oughs> มีค่าวิชาแต่เด็กอู่มันเคยมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนได้เจอาพิเศษนะ นี่คือหลักของการดังนั้ น, น, นผู้ปฏิบัติที่มีหลักกับไม่มีหลักมันก็แยกต่างกันเผู้ปฏิบัติที่ไม่มีหลักเนี่ยมันจะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีอะไรเล่นที่หลากหลายแต่ผู้ปฏิบัติที่มีหลักเนี่ยมันจะสนุกเพราะมันมีตัวเล่นที่เยอะกว่านะและเราก็ดูรายละเอียดแยกย่อยได้สูงกว่าดังนั้นในจุดนี้มาถึงตอกย้ำทั้งสองอย่างคือในส่วนที่ซด้วย เอาละโยมพิมพา ม, ามาดูเด็กอูบังไปโยมพิมพาท่านลุกนั่งลุกนั่งลุกยัางสิบครั้งเนี่ยโยมพาสามารถรู้ได้ชัดเจนได้กี่ครั้ ง, ร, งรู้ได้ชัดๆเลยว่าตั้งใจรู้เนี่ย ม, มันมีสักกี่ครั้งสิบครั้งเนี่นนย ตั้งใจเราไรู้เองมันหูเองเวลาสิบลกสิตีมนะเดี๋ยวมันหูซื้อโตไปใช้คืนเวลาความคิดเวลาความคิดเกิดขึ้นมันรู้เองหรือว่าต้องตั้งใจรู้ดูทุกเรื่องบ่ดูทานทุกเรื่องบ่แต่เราทุกเรื่องอ๋อแต่เรามักพูดเวลาคิดรือ่าอืม แต่ว่าเวลามันหายไปยังไหนบูรูนี่เามันหาใไก็ทำ <c oughs> ลี้ยวไปแต่เวลามันมาอย่างไหนนี่บัท่านดูมันมาอย่างไดเหมือนกันนี่ามันมาก็เห็นมันคิดถี่มากถ้าเป็ น, <c oughs> ถ, ปนถ้าเป็นนักเก็บพักก็ไปนักเก็บยอดเก็บยอดเลยนะถ้าทำมาจะปลูกยังไรแล้วอาไปเห็นอย่างไดแน่นี่บัวบัวบัเป็นนะั่นนะ เออเอาเบ็ดมามาจากสายพักอย่างนี้แล้วเอาไปแกงแเราจะเห็ดอะไดได้ใน่ไม่รู้ใช่ไหมแต่แกงกินได้แล้วนะบางทีเอาไปเห็ดสุมก็ได้ได้เอาไปเห็กดหกระป๋องก็ได้ได้เหมอั น, น mm. อันนี้คือความรู้สึกว่าถ้าเรารู้ที่ไปที่มาของมันเนี่ยเรียกว่ามันก็จะเริ่มเกิดอ่ามันก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมอันนี้มายควาจะตามรู้ตั้งแต่แรกที่มันเกิดนี่เลยรูย้ที่มา แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะรู้ไม่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะรู้เนี่ยมันก็จะรู้ตอนที่มันเกิดแล้วนะแต่มันมาอย่างไรฉันไม่รู้ก็ตั้งใจรู้หน่อยตั้งใจรู้อ่ตั้งใจให้ชัดขึ้นในในในความคิดสักสิบเรื่องเนี่ยไม่ต้องใจรู้ไม่ต้องตั้งใจรู้ทุกเรื่องตั้งใจรู้สักครั้งหนึ่งค่ชัดตั้งใจรู้เวลามันมาแล้วตั้งใจบอกว่าได้ตั้งใจเบึ้งอะสมมติว่านั่งยย้ายนั่งมา ที่โดนบดแผลเครื่องชั่วโมงมันบ่าตั้งแต่เครึ่งชงั่วโมงตั้งแต่นาทีแรกก็นาทีนี่เนี่ยความรู้สึกที่เขาซึ้งๆเนี่ยมันทอกันบ่เ่เนีเนีน่ยเพราะมันขึ้นม<า>ันขึ้นยังไงเห็นมัน้มันก่อนตั้งแต่แรกมันสบายเรามาถึงจุดเนี่ยเขาเห็นมันบ่อ่ามันซาเราเห็นยังไต่อบอ่เนะี่ยขยับขยับเรามันคลายไปมันไปใสบ่เนี่ย เคยใช้ก็สั่งมันเถอะไปเลยอ่าพอนางไปสักพักพอนางไปสักพักมันเริ่มมันเริมม่มเมกิดขึ้นีนกมันบอกเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในกรณีที่ที่จะมาเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดก็เพราะว่าคือตามตามดูก่อน ตามดูไม่ใช่ว่ามันเกิดแล้วตามดูค่อยสมมติเราเราพลิกใช่ไหมไอของเก่าหายไปแล้วใช่ไหมไอของเก่าหายไปแล้วแต่ของใหม่ที่มันจะเกิดเนี่ยวันอย่าใช้ตัวนั้นพออย่าไปยุ่งหลายเรื่องพอันเดียวพอแล้วอันนั้นมันเออดไม่ได้ห้องบนไอสายช่างอยู่ข้างบนทั้งนั้นเรา จะต้องรู้ในส่วนที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมให้รู้ชัดๆแต่ว่าไอ้ส่วนที่ของเก่าที่พอพอรู้ขึ้นข้างหนึ่งของเก่าหายไปหมดแล้วใช่ไหมพอนั่งลงไปใหม่ของใหม่เริ่มเกิดใช่ไหมของใหม่เริ่มเกิดนี่ตอนแรกมันก็เกิดแบบอ่อน นเกิดแบบมันอ่ อ, อนแล้วก็พอนานๆไปถ้านในกรณีที่เราปล่อยให้มันขึ้นโดยที่เราไปดูทีเดียวตอนที่มันหนักแล้วเนี่ยกับดูว่ามันหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอันไหนดีกว่าอ <ใน S 1> ตอนที่มันรวมแล้วนะอแอ่าแต่ตอนที่มันเริ่มจะรวมไปจนถึงจุดนั่นตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยน ะ, ะเราไม่รู้เราไม่รู้ตอนสิบเลยใช่ไหมแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เราไม่ไม่ได้สนใจรู้ นี่คือความต่างโยมที่มาพูดไปวันก่อนนะนะถ้าสนใจเห็นรายละเอียดเราไปเห็นจากหนึ่งมาเป็นศูนย์จากศูนย์มาเป็นหนึ่งเลยเนี่ยมันข้ามในรายละเอียดระหว่างเก้าถ mm ึง hmm. หอันนั้นคือส่วนที่เรียกว่ารู้การเกิดขึ้นตามลำดับมันคือรู้อย่างนี้แต่ว่าเอามาได้บอกวันก่อนนะถ้าหากเรารู้จากหนึ่งเราไปศูนย์จากศูนย์มาหนึ่งแตคือข้ามรายละเอียดไปเลยตรงนี้เรียกว่าความ รู้ในส่วนที่บําบัดได้สบายเป็นสัญชตาตญาณใช่ไหมแต่ถ้าตามรู้ที่มันเกิดขึ้นตามลําดับเป็นสติสัมปชัญญะที่ที่มามันเน้นเพื่อจะเห็นให้ขึ้นตามลําดับว่าสามารถเปลี่ยนตัวสัญชาต ญ, ญาณให้เป็นสัมปชัญญะได้อย่างไร mm. ก็คือให้เห็นเกิดขึ้นตามลําดับจากหนักไปสู่จากเบาไปสู่หนักและเราเปลี่ยนเนี่ยปุ๊บปั๊บมันเบาเลยหรือเปล่าก็ mm. าไม่มันก็ค่อยค่อยลดลงจากสิบเก้า แ7 6เจ็ห้าสามอหนึ่งใช่อันนี้เป็นตัวเปลี่ยนสัจจญาณให้เป็นปัญญายานด้วยเห็นการมันขึ้นตามลำดับและลงตามลำดับไม่ใช่ยากนะแต่ว่าเราต้องใส่ใจหน่อยใช่ไหมนี่อมาถึงบอกว่าบางทีนะเราเราเร า, เราพูดไปแต่ถ้าเราไม่เน้นไม่ย้ำกันให้ชัดๆเนี่มันก็เลยไม่ใส่ใจที่จะจำ แล้วก็ฟังปฏิบัติกีข้อดีข้อก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราเก็บรายละเอียดไม่ได้แต่มาบอกแล้วว่าในสิบอาการสมมติเราลุกนั่งย่างโดยสิบครั้งใช่ไหยก็ไม่ต้อาเขาไปจะดูทุกครั้งเนี่ยดูโดวอย่างมันเกิดมันดับนี่มันเกิดขึ้นนะสักครั้งหนึ่งให้ชัดชัดกันครั้งต่อไปมันไม่ยากหรอกสำนองเข้าใจนะเข้าใจนะฮะมันไม่ยาก เพราะตอนหลังเนี่ยเอามาต้องต้องเน้นให้ว่าให้เข้าใจชัดๆนะประเภททีผ่านผ่านไปแล้วก็ว่าดีแล้วะพูดแล้วก็ดีแล้ะแต่ดีไงไม่รู้เอาไปใช้ไม่เป็นอมาไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่ามันเสียเวลานะแต่เราพูดบ่อยนะจะเป็นสัญชาตญาณเนี่ยเปลี่ยนความเคยชินนะให้เป็นความรู้ตัวมันเปลี่ยนยังไงอะ่ะอืมเปลี่ยนก็นแล้วกันนะ่ะจะเปลี่ยนยังไงฉันไม่รู้อ่นนะนะ <laughs> ขเขาเรียกไม่มีวิชาการคือเปลี่ยนตรงที่ว่าเวลานั่งไปใหม่ๆมันสบายใช่ไหยอย่ฝนพอผ่านไปสามนาทีห้านาทีเจ น, นาทีหนักแล้ว <c ười> ถ้าจะถามว่าเยพอเห็นอะไรมันจริงนะก็เป็นธรรมดาท่านใช่ไหมแต่พ่อทุไปสักนิดมาดูสักก้มัน็เบาขึ้นอย่เดยอ่าก็เบาขึ้นพย า, <c ười> า <c ười> ยามฝืนไปพอรามานรับพยานยามฝืนนักหน่พ ้รูก็จะแต่ในกรณีพ่อฝืนไปนานๆแล้วมันเบาขึ้นน่อย่าไปถือว่ามันเป็นกําลังของสมาธินะอันนั้นเรียกว่าร่างกายเขาทนเต็มที่แล้วเขาหาทางออกเขาเองแต่ผลของมันก็คือทําให้เซลล์ตรงนั้นน่ะมันถูกทับจนตายไปแล้วมันถึงไปหาทางออกใหม่เลือดลงเขาจะผ่านตรงนั้นไม่ได้เขาเข้าไปหาผ่านทางอื่นแต่ตัวนั้นมันมันเกิดพิการเรียบร้อยละมันเกิดเป็นเน็บเป็นชาเป็นหนักด้ออืม แต่ว่าเราไม่ได้นั่งบ่อยนี่เราก็ได้เราไม่ได้นั่งบอ่อยนั่งสิบนาทีข้าวหาทีรู้สึกมันรำคาญอยากจะรู้แก่จะเปลี่ยนแต่วันนี้รู้สึกดังเลย น, นะมันเริ่มชินนะชินเพราะฉะนั้นการการขยับปรับเปลี่ยนเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นเราจะเห็นว่านักนักสมาธิทั้งหลายที่ตั้งปฏิบัติมันานยิ่งนานก็ยิ่ง อ่อนเพียยเปลียแหล่งไปเรื่อยๆดูสงบสงเยี่ยมเดินสมรวมดีแต่ความจริงกําลังมันหมดต่างหานั่นไม่มีแอคทีฟเลยเหอนอย่างพร ะ, ะสูงอายุใช่ไหมพุทธวุฒแก่หมดกําลังกำลิกระลังเพราะมันตายไปเลยไม่รู้ตัวแต่บางคนอย่างหลว่าเทียนเนี่ยแอคทีฟจนตายเนี่อ น, นอนอยู่ก็ยังยกมือสร้างยังว่าเรียนจงกรมให้ดูยกแข้งยก ข, า, ยกขาให้ดูเลยบางคนโอ้ตายมาตั้งเป็นสิปีแล้วนอนแทบอยูนนั่นนะนอนเป็นกก น, นํามบุพการีภาพนี้เป็นสิปีถึงจะตายได้ แต่ลวเพ่อสามารถแอคทีฟถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตอันไหนมันดีกว่ากันก่อนที่จะตายเนี่เป็นป่วยขยับไม่ได้นอนคาใสายุกใสา ย, ยางสามปีหปีกี่ปีไม่เข้าท่าเลยอันนั้นเป็นผลรวมของที่เรานั่งทับเวทนามาเป็นเวลานานเราจะบอกว่าเราอดทนอยู่แต่คนวิบากสุดท้ายหลวงพ่อชานี่ท่านนอนทรมานตัวเองเป็นสิปีก่อนที่จะมรณะนมะั น, นมีผลเพราท่านนั่งทีนานๆจะเป็นไร ชั่วโมงหลายอะไรต่างๆมันเป็นผลรวมนิดๆมันจะไม่ปรากฏตอนที่ขณนะ น, นั้นจะไปโปรดผลรวมตอนท้ายนั่นอันนี้คือเชตา ก, กรรมของพระธรรมฐานที่เราบางคนก็นั่งพิจงพิการนั่งลถเข็นไปก็พุทธสมถะแต่ว่าเราไม่บอกตอนที่ที่ท่านยังไม่เป็นไม่ได้เราโอยา้ยไปยึดมั่นถือมั่นอะไรท่านเป็นนี่จัิงทุกขังอนัตตาปเป็นเรื่องของมันใช่ไหมเราก็จะทําไงได้ยึดมั่นถือมั่นตายก็ตา ย, ตาย เจ็บก็เจ็บเท่านั้นเองไปเอาอะไรกับมันใช่แต่ผลนุองมันหนึ่งใช้ร่างกายนี้ไม่ได้เต็มที่สองเป็นภาระของคนอื่นสามไม่สง่า ง, งามงๆของพระวิปัสนาสี่เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะกับุู้ศรัทหานจุดท้ายภายหลังใช่ไหมเ น, นี่ยผลเสียตามมาทีหลังดังนั้นก็อยากจะให้ช่วยร่างกายนี้ ไม่ใช่ใช้รถแบบคนอเมริกาใช้เต็มที่เสียก็ทิ้งไปเลยเปลี่ยนรถใหม่แต่บนเอเซียของเรา ไ, ไงใช้ไปซ่อมไปเรื่อยๆคันหนึ่งใช้ได้สามสิบสี่สปีก็ยังไม่เสียก็มีใช่ไหมแต่ของอเมริกานี่สามปีห้าปีใช้ไม่ได้แล้วเพราะห้าปีเต็มที่แล้วทิ้งเลยเนี่ยมันต่างกันถ้าความสิ้นเปลืองเป็นไงใช่ไหมสิ้นเปลืองเกิดขึ้นมากมายดังนั้นอันนี้เราพิจารณาผลขยายพี่ผลมันออกไป ถ้าสมมติว่าเราไม่แยบคายขนั้นเราก็จะไม่เห็นส่วนต่อขยายของมันว่ามันมีผลต่อร่างกายอย่างไรแล้วบางคนอายุเจ็ดสิบปดสิบยังแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวบงคนสี่สิบห้าสิบชักไม่ไหวแล้วใช่ไหมนี่อันนี้มันต่างกันในการดูแลร่างกายลูกทำนทำ้ำทาดังนั้นสิ่งนี้ใครจะว่าไงก็ตามมาไม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามามีการศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับตัวอย่างหลายๆตัวอย่าง ของนักปฏิบัติตอนแรกก็ดีนะตอนร่างกายมันมีความต้านทานมีความอดทนมีความเข้มแข็งอะไรก็รู้สึกว่าก็พี่กระปล่าแต่พอไปอีกสักหน่อยร่างกายมันค่อยๆโซมหมดสภาพก็จะเป็นภาราดันท์เอาตัวเองไว้รอดเราภาวิปัสนาดังนั้นเวลาดูจึงเน้นว่าให้ดูโดยแยบคายให้ดูโดยละเอียดการลุกการ น, นั่งการย่างการเดินเพราะธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีศรัทธา เขาบอกว่าไม่ใช่ธรรมของผู้ไม่มีศรัทธาธรรมนี้เป็นธรรมของคนที่มีความเพียรไม่ใช่ธรรมของคนที่ไม่มีความเพียรธรรมนี้เป็นธรรมของคนมีสติสมาธิปัญญาไม่ใช่ธรรมของคนไม่มีสติสมาธิปัญญาท่านกล่าวไว้ในพระวิชนีคือธรรมอันนี้นคืออริยธรรมที่เราปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐานสีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำศรัทธาวิญญาสติสมาติปัญญาให้มีให้เกิดเพื่อให้เหมาะสมเป็นฐานรองรับกับตัวพุทธธรรมในจุดนั้นนะ เอาละทีนี้มาดูตัวบทที่ต่อเนื่องวันก่อนวันก่อนวันแรกพูดถึงเรื่องสุขเวทนามีผลขยายลากลึกอย่างไรใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยพูดถึงว่าทุกเวทนามีผลขยายลากลึกไปถึงไหนทีนี้เวทนามีกี่ตัวจำหลักไม่ได้แลพูดร้อยวันฝันหนนก็ยังยึกยักอยู่นะความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบา ย, คว า, บายความรู้สึกไม่แน่ ไม่ทุกข์ไม่สุขพอพูดเวทนาแป่งไปหน่อยแค่นั้นนะจำไม่ได้เลยเวทนาคือความรู้สึกนีนะเวทนาคือความรู้สึกสบายไม่สบายนะเดี๋ยวถามว่าความรู้สึกมีกี่อย่างมันก็กว้างเกินไปใช่ไหมเพราะนั้นผลดีของการใช้ศัพบใช้แสงมันคือมันฟิกอ่าแล้วก็มันทําให้ไม่ต้องอธิบายกันใช้คําเยอะอันนี้ผลดีของมันการใช้ปริยัตคือมันมันมันจบในตัวของมัน แต่ถ้าคนไม่มีปริญญาต์ก็แทนที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่มีปริญญาต์แต่ยอมรับโอ้ยไปติดปริญญาต์เลยท่านไปนู่นเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเาขาเรียกอะไรอ ง, งุนเปรี้ยวมะนาวหวาน <c oughs> อี่ไปยุ่งกับปริญญาตเลยท่านแต่คนจริงแล้วเออฉันไม่มีฉันต้องไม่ใช้เพราะฉันไม่ได้เรียนม า, าแต่ถ้าหากว่าฉันมีฉันก็จะใช้ตามความเหมาะสมเหมือนกันแล้วพูดถึงเวทนามันคิกลงไปเลยเออมีแค่าสามนะ พูดถึงความรู้สึกเ ป, ป, ปลีนๆร้อยร้อยอย่างใช่ไห ม, มแต่พูดถึงเวทนามันมีแค่สามนี่ยอันนี้มันฟิกกับกันมันตายตัวกันที่นี่มีความรู้สึกเวทนาแปลว่าความรู้สึกที่เกี่ยวข้องด้วยกายเกี่ยวข้องด้วยจิตเกี่ยวข้องด้วยกายก็มีสามเกี่ยวข้องด้วยจิตก็มีสามเกี่ยวข้องด้วยกายมีสามคืออะไรความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบายและความรู้สึกทั้งสองอย่างรวมกัน ทั้งสุขทั้งทุกข์รวมกันเรียกว่าเป็นกลางกลางคือหมายความสุขก็ไม่ชัดทุกข์ก็ยังไม่ชัดโดยเฉะช่วงที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปใหม่ๆจะว่าสุขก็ไม่ใช่นะความทุกข์มันพึงผ่านไปนิดหนึ่งความทุกข์ลดความรุนแรงลงความสุขก็เริ่มต้นตรงนั้นเขาเรียกอดุขขมสุขเอาละทีนี้ตัวเราเริ่มต้นอดุขขมสุขเรว่าความรู้สึกเราก็เริ่มบ้ากอุเปขาเวทนาบ้างรู้สึกเฉยๆบ้างรู้สึกกลางๆงบ้าง รู้สึก ส, สบายบ้างแต่ควาจริงก็คือรู้สึกชนิดหนึ่งเรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนาตามภาษาของเขาทีนี้ตัวอทุกขมสุขเวทนาที่มันอยู่ในกายเนี่ยเขาเรียกว่าอาทุกขมสุขแต่พอมาไปเป็นจิตปั๊บเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่อทุกขมสุขเวทนาอันแรกพอมาอยู่ในกายเราเรียกว่าสุขเวทนาใช่ไหมพอไปเปลี่ยนไปสู่จิตจะเรียกอะไร โสมนัสเวทนามากความไม่สบายทางกายเฉพาะทางกายเนี่ยพอเป็นจับแค่นี้เราเรียกว่าทุกขเวทนาแต่พอมันเปลี่ยนไปสู่จิตปับ๊บได้ชื่อใหม่ว่าโทมนัสเวทนานี่ทุกขม ส, สุขที่มันจับกัดอยู่ในกายยังไม่เปลี่ยนเป็นใจนะเราเรียกว่าอทุกขม ส, สุขเวทนาพอเปลี่ยนไปเป็นใจปับ๊บชื่ออะไรตรงนี้แล้วเราเรียกอุเบกขาเวทนา อ, อุเบกขาเวทนาเป็นอาการของจิต คือหมายเขาว่าเข า, าอุเบกขาเวทนากับอุเบกขาสัมโพชงต่างกันงไงเดี๋ยวเขาจะมาถามว่าอุเบกขาในภพวิหารต่างนี่คือข้อแตกต่างกันออกไปนะถ้าเป็นอุเบกขาเวทนานั้นหมายเขาว่ามันรู้แบบฉเฉยๆแบบไม่รู้แต่อุเบกขาในสัมโพชงมันเฉยแต่มันรู้เฉยแบบมีปัญญาแต่อุเบกขาที่เป็นอุเบกขาเวทนาฉนเฉยเป็นกลางกลางๆแต่ไม่รู้ว่าคือไม่ชัดอ่ะ แต่แต่เราก็เอ๊ะว่าสบายก็ไม่ใช่เอาละเริ่มได้หลักที่สองเลยนะถ้าอยู่ที่กายเรียกว่าทุกขโมยสุกเวทนาถ้าลงไปสู่จิตเรียกว่าอะไรน้องดาเห็นไหมฟังเบอร์เอร์ไปงั้นจะไม่ได้เรียกว่าอุเบกขาเวทนาทีนี้พอเลยจะอุเปกขาเวทนาไปเนี่ยเราก็ไม่มีสติตามรู้อีกนะนั่งเพลินเบอไปเรื่อยสบายก็นั่งไปเรื่อยๆ จะพัฒนาไปอะไรตัวนี้พัฒนาเป็นถีนะถีนะมีธะเอ้าไม่ดีอย่างงี้ยนีว น, นห้าพูดให้ฟังบ่อยๆกามาชันทะพยาบาทะทถีเมธาอุทธาจะวิจิกิชาอะไรเนะี่ยชื่อที่ซึ่งสวดไปเมื่ม่กี้นี่ไม่ใช่เลยเออ การว่าท่นโทรตีประชานาทิวันนี้ท่านพายสวดภา ษ, าษาไทยมันจะกำกับภาษาบาลีไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละกลายเป็นความซึมพอคือไปนานๆนนะ่ะเป็นการเป็นการซึมเป็นการทื่อนั่งนิ่งๆไปนานๆมันจะซึมทื่อแข็งทื่อเขาเรียกถีหนะ้าอาการของเนี่ยีหนะ้าอ่าแล้วก็ไอ้ตัวถีหน้าที่มันมีผลมีฤทธิ์นะรมิทธะ เอาถีนะมาบกาอกกับอิทธิเบทีนะมิถะถีนะมิถิเองแหละแปลว่าไอ้ตัวถีนะเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นยังไงมีฤทธิ์ทำให้คอหักนั่งไปเฉพาะงอะเงา อ, ออกฤทธิ์แล้วไอ้ตัวถีนะออกฤทธิ์แล้วมีอยู่เยอะเนี่ยฤทธิ์ของมันนะเออแหละถีนะแล้วก็มิถะถีนะคือความมาเป็นพระธรรมนามาจากดูปีขาวันนี้คอหักหลายครั้งไหม อโยมฝนได้หลายครั้งโดนฤทธิ์ของมันแล้วเนี่ยฤนะทธิ์ของถีนะาะนี่ะเ <c oughs> ขาลบเสาะไปจ้างนะหลับตาแล้วเดี๋ยวโดนฤทธิ์มันเล่นงานเราไม่รู้หรอกมันเล่นงานแต่เ น, นื่ยถีนะมีธาตนะเอาละทีนี้ไอ้ตัวถีนามิทะเนี่ยบางครั้งมันตรงินข้ามนะมันไม่ห่วงมันไม่ซึมมันไม่มันลอยมันเลื่อนลอยฟุง้งฝัน นั่นเบอร์เรื่องนั้นเรื่องลอยไปอาการของตัวนี้เรียกว่าอะไรอุทธัตอุทธัจจะอ่าอุทธัจจะคือฟุ้งเมืองลอยเดรีมเขาเรียกว่าเดรีมฝันกลางวันเรื่องนั้นเรื่งคือหมายความว่าไอตัวตัวอุเบกขาเวทนาเนี่นะถ้าขาดสติกําหนดรู้มันเจอแตกตัวเป็นสามตัวหนึ่งซึม ง, ง่วง สองถ้ามันไม่ซื้อไม่ง่วงมันไปอีกทางหนึ่งบางคนไม่ง่วงนะคิดฟุ้งแต่งฟุ้งซ่านตรงนี้เป็นทิฏอุทัศ จ, จัแต่บางคนฟุ้งก็ไม่ฟุ้งง่วงไม่ง่วงแต่เอใช่หรือเปล่านะเอมันยกมืออนี้เป็นสมาธิหรือเปล่าเอปัณณิปฏิบัติเราไม่ได้อะไรเลยมันจะเอาอะไรคิดไปคิดมาเป็นสงสัยเป็นวิจิกริชาตัวนี้ก็มาแตกเป็นดูให้ดีนะมาแตกเป็นนิวรณ์ทั้งห้านิวรณ์ทั้งห้าก็มาจาก เวทนาทั้งสามตัวนี่เองสุขเวทนาที่ route, ขาดสติจำรู้ก็ก่อนให้เกิดอะไรนะเมื่อวานกามฉันทะใช่ไหมทุกขเวทนาที่ uk, ขาดสติจำรู้ก่อให้เกิดเป็นพยาบาทะใช่ไหมทุกขเวทนาขาดสติจำรู้ก่อให้เกิดเป็ น, น, uk, ปนถีนมิทาอุทะจักุกุจจะสามตัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสุขเวทนาทุกเวทนามันเป็นตัวใครตัวมันใช่ไหมที่เราขาดการจำรู้ก็เป็นตัวใครตัวมันคือ นั้นพัฒนาเป็นการมวินธาแต่ก่อนที่จะไปเป็นการมวินธามันผ่านทั้งหลายตัวใช่ไหมอยากสุขก็ทนาก็ไปเป็นอะไรควรู้สึกสบายทางพอใจเป็นโสมนัะไปเป็นอภิชาไปเป็นนันธิถึงการมาเป็นการมฉันธามันถึงมาเป็นตัวนี้เอาละทีนี้พอเข้าโหมดตรงที่ว่าตัวรู้สึกซื่อๆเฉยๆแบบไม่มีสติแทนที่จะเรียกว่าสติหรืออุเปขา สามพุชงแต่เราไม่เรียกกุเปขาเวทนาจะไม่ดีนะแล้วตัวรู้สึกซื่อๆซึมๆถือนิ่งไปนานๆกลายมาเป็นตัวซึมง่วงกลายมาเป็นตัวฟุ้งซ่านกลายมาเป็นตัวสงสัยมาฟุ้งซ่านก็แล้วยังไม่ตามรู้อีกสงสัยก็แล้วยังไม่ตามรู้อีกซึมง่วงก็แล้วยังไม่ตามรู้อีกในที่สุดพัฒนาเป็นอะไรเป็นโมหะ เฮ้เนี่ยโมหะมาเป็นลำดับที่เท่าไรอันที่หนึ่งตามไม่ดีนะอุทกขรรมสุขเวทนาสองอุเปเเขาเวทนาสามทีนะสี่อุทัจจะห้าวิจิเกช้าหกโมหะมาละหลักมาขยายหลักไป เ, เรื่อยเป็นโมหะเพราะฉะนั้นโมหะมาเกิดที่ตรงนั้นตัวอุทกขรรมสุขเวทนาเลยเป็นที่มาของโมหะสุขเวทนาเป็นที่มาของราคะทุก ข, ขเวทนาเป็นที่มาของ โทสะทุกคำสุขเวนเป็นที่มาของโมหะเห็นไหมรากราคาโทสะโมหกิเลสอย่างหยากเข้ามาจากตัวเวทนาทั้งสามนั่นเองใช่ไหมเนี่ยตน้ตนโตมันอยู่เที่นั้นในความสบายไม่สบายหรือความเฉยๆทางกายที่เราไม่ตามรู้เนี่ยมันพัฒนาไปได้ไกลมากเลยพัฒนาเป็นรากรูทของทุกข์เป็นสมุทัยอ่ะนะเอาละ โมหะโมหะเกิโมหะแปลว่าอะไรทีนี้แปลว่าลืมแปลว่าหลงอ่าแปลว่าลืมแปลว่าหลงอาการลืมหลงลืมหล ง, ลงสติลืมสติเผลอสติหรือโมหะพอไปถึงโมหะแล้วพัฒนาต่อไปเป็นอะไรเป็นทิฏฐิเพราะนั้นทิฏฐิรากรุ่มแต่ทุกขโมสุขเวทนานะแต่ตัณหารากรู่มาจากสุขเวทนาใช่มาณารากรู่มมาจากทุกขเวทนา แต่ว่าทิฏฐิพัฒนามาจากอทุกขมสุขเวทนาพอพัฒนาไปถึงตัวทิฏฐิแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นทิฏฐิมีขีดทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิไงไม่ทราบได้ไงไม่จําต่างหากทราบแต่ไม่จําเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ทิฏฐิที่เกิดจากโมหัเนี่ยเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมา เป็นมิจฉาเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวมิจฉานิฏฐิไปแตกเป็นอีกกี่ตัวอีกเจ็ดตัวมิจฉาสังกประพอเห็นผิดก็คิดผิดใช่ไหมมิจฉาสังกประพอคิดผิดก็พูดผิดมิจฉาวายาพอพูดผิดก็ทําผิดมิจฉากามันตะพอทําผิดก็ใช้ชีวิตผิดมิจฉาอาชีวะพอใช้ชีวิตผิดก็พยายามผิดมิจฉาวายามะ เขยังผิดตั้งจิตผิดวิชาสติตั้งใจผิดวิชาสมาธิไปแตกไปอีกเจ็ดก็คือมิฉาทิฏฐินั่นเองพอขาสดปปสติ อ, อ, สอย่างเดียวไปเปล่าไม่ใส่ใจต่ออาทุกเข้ามาสุขเวทนาเพียงเดียวตัวทิฏฐิทั้งเจ็ดเกิดขึ้นจนไปถึงทิฏฐิห้าสิบสองในพมัญชารสูตรซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดาเลยนะแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยใส่ใจที่จะรู้ เอาออะไรง่ายๆเราเราเป็ชอบง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมก็ออ น, นั่นแหละแต่ง่ายๆเนี่ยมันมันไปได้ตื้นๆมันไปได้ไม่ลึกนะมัง่ายมันไปได้ตื้นๆแต่ถ้าเราสนใจในความง่ายเนี่ยให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วมันจะไปได้ลึกแต่ถ้าความง่ายๆเนี่ยถ้าไม่สนใจในรายละเอียดก็เริ่มมักง่ายมันก็จะไม่ไปถึงไหนนะนันนี้นคือปัญหาของมันนะ เอาละทีนี้มาดูลากของอาทุกข์กับสุขเวทนาใหม่ทวนใหม่เดี๋ยวลืมลากยาวไว้าสองตัวนั้นอีกนะลากยาวกวความรู้สึกสบายไม่สบายที่เราไม่มีสติตามรู้ความสบายไม่สบายเนี่ยถ้าตามรู้แล้วมันก็จบตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าไม่ตามรู้มันก็จะลากยาวไปเรื่อยๆพอมัยังไม่จบดิลากตัวนี้ยู่ไม่หยุน่าจะเป็นสัมมาธรรมิชฌาสติมิจฉา ส, ม า, ส ม, มาธิแล้วอันสุดท้ายเป็นอะไร อวิชชาสวะเพราะสวะสดิวสวัมีสามใช่ไหมการมาสวะต้นตอเขอาไปจากสุขเวทนาภาวาสวะต้นตอมาจากทุกขเวทนาอวิชชาสวะต้นตอไปจากอาทุกขสมาสุขเวทนาแต่ขยายช่วงไปเป็นสิบสิบรากสิบสิบขั้นตอนนะตัวสุดท้ายจะไม่ดีนะหนึ่งอันที่หนึ่งอะไรทุกขสมาสุเวทนาตัวที่สองอุปปิขาเวทนาอันที่สาม ทีนะมิทาอันที่สี่อุทจจะอันที่หวิชิกิช้าอันที่6โมหะอันที่7ทิฐิมิชาทิฐิอันที่8วิชายสังกปะอันที่9ว้ามิชาวิญาอันที่10วมิชายกมันตะอันที่สิบเอ็ดมิชายชีวะอันที่สิบสองมชายวมะอันที่ิามมิชาสติอันที่สิอันที่ิมา สมาธิอันที่สิบสี่ก็อะวิชาสวะงอกเป็นที่สิบสี่รากเฉพาะตัวอันเนี้ยที่จับเรื่องนี้มันเน้นเนี่ยไม่ใช่ให้เรางงเรื่องปริยัติแต่ให้เห็นความสำคัญมันว่าการที่ขาดสติเพียงนิดเดียวเนี่ยตอนก่อนที่เราจะเลือกหลงพ่อเอาไอ้คลิปนั้นมาฉายขิบไอ้ขนนกอ่ะยมเคยดูแล้วใช่ไอ่าขนนกที่่อ นั่นน่ะการที่เราขาดสติสมดุลเพียงนิดหน่อยมันหมายถึงความพอเขาหยิบขนนกออกใช่ไหมไม้ที่เขาตอกันมายาวพืรืดลงเลยยมเคยเห็นไหมนั่นเนี่ยวันนี้เอามาฉายซ้ําอีกปรทยาขนนกว่าชีวิตต้องการการที่คนนั้นจะทําขนนกให้ตั้งอยู่บนไม้ได้อย่างสมดุลต่อไม้เป็นสิบสิบอันเนี่ยได้อย่างสมดุลเนี่ยเขาต้องฝึกสติ ฝึกสมาธิมานานแยกกุญแจลำได้การที่เราจะฝึกจิตให้สมดุลกับกายจริ ง, รงๆให้อยู่ได้นานๆสามารถแบกรับภาร ะ, ะปัญหาต่างๆได้อย่างไม่ไม่กลัวอะไรเนะี่ยจิตทั้งสมดุลระดับหนึ่งแต่เมื่อไรจิตสมดุลปับภาระต่างๆจะล้มสลายหมดเลยเหมือนแก่พอหยิบคนนกออกนะ่ะไม้ร้วมกลาวหมดเลยไม้เป็นสี่สิบอันที่เข้ามาเคยเห็นแล้วใช่ไหมเออไม่ต้องอธิบายแล้วอย่างนี้เขาวางปับ เอามาเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นที่เบตหรือมองโ ก, โกดูหน้าเขานะอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะอ๋อใช่ใช่นะเราเดูนึกถึงญี่ปุ่นไปห <c oughs> น่าอ่าพอญี่ปุ่นเขาฝึกเรื่องเซนอยู่แล้วไง<ม>ฝึกเรื่องเซนแบบลักษณะความสมดุล น, นั่นคือแอคชั่นของสมาธิเขาเขาญี่ปุ่นเขามีหลักตระกูลมาทางเซนมาเป็นเวลาหลายศตวรรษใช่ไหมเพราะวาเขาฝึกสึบทอดกันมาดังนั้นเอง การเวลาปฏิบัติจึงไม่อยากจะให้ทําอะไรแบบสงชางนะ่ะทำไงให้มันแยบคายละเอียดประนีเท่าที่จะทําได้ตามนี่ของเราตามไออาการของเราคือฝึกอะ่ะอันนี้เรียกว่าการฝึกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ให้ฝึกไว้ก่อนก็แล้วกันก็ยอมรับว่ายากเพราะของเรามันเป็นประเภทที่เรียกว่าไม่ได้ฝึกมาก่อน แต่เมื่อได้สติแล้วเนี่ยมันจะฝึก ง, ง่ายเพราะอะไรเพราได้สติแล้วมันลดอัตราตัวตนลงมันไม่แข็งไมื่อขืนเหมือนก่อนใช่ไหมยังไงก็ได้ฉันก็ยอมที่จะฝึกหละแต่ถ้าหากว่าตัวสติที่เราฝึกมันไม่สามารถจะลดอัตรามานาทิฐิลงเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่มิจฉาถ้าสัมมาสติแล้วเนี่ยอัตราตัวตนมานาทิถีมันต้องลดลงแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นมิจฉาสติปฏิบัติเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งขึ้นเท่านั้นอันนี้คือ ก็สังเกตว่าคนนี้ปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดนะความเป็นตัวตนต่างๆมันลดลงมันก็ง่ายที่จะฝึกตัวเองใช่ไอมง่ายฝึกตัวเองแต่ถ้าความตัวตนมันไม่ลดลงมันยาก่ะที่จะฝึกตัวเองก็ฉันเจีเอาอย่างนี้ใช่ยังจะว่าไงฉันรั่วไม่ฉันอย่างนี้นะมันไม่ได้นะอัตราตัวตนเราไม่ลดดังนั้นเองมันมีผลเยอะเลยอ่ะในแง่ความสมดุลนี้เดียวนี่นะปริญาขนโลกที่ว่าเนี่ยมาโดนใจมากเลยตัวเนี้ยเพราะว่ามันหมายถึงว่า ชีวิตของเราเพียงแต่ขาดความพอดีนิดเดียว ก, กระเทือนไปหมดเลยกระทบกระเทือนไปหมดเพราะฉนั้นตลอดเวลาคือแสวงหาความสมดุลหาความพอดีชี้แจงความพอดีของชีวิตหลักมัชชิมานั่งก็นั่งแต่พอดีแต่ภาคกรรมาฐานรู้เป็นอย่างดีเนะีไอ้ความพอดีแต่วเวลาปฏิบัติไม่พอดีคือแค่จะนั่งไม่ใช่แค่สามชั่วโมงไม่ขยื่นเลยแข่ง ก, กันต่างหางน ะ, อะพอ nang ได้สามชั่วโมงไม่ขายาับเลยก็เก่งเอาไว้งั้นเลย ฉันแน่กว่าเธอเธอนี่ขยับทุกนาทีเลยไม่เอาไหนเลยก็ไปนู่นเลยนะซึ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้มองข้ามไม่ได้เลยใช่ไหมซึ่งมาเองตอนหลังมามันเน้นเรื่องเหล่านี้ยพราะมาเคยพลาดจุดเล็กหยุดน้อยนี่เมื่อก่อนหนึ่งพัฒนาตัวเองได้ยากจนมาถึงป่านนี้หกสิบปีแล้วเพิ่งพัฒนาตัวเองได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นแค่ยี่สิบสาสิบปีไม่ต้องห่วงต้องหยุดแน่นะ เรื่งหึงในรื่องที่พัฒนาแน่นอนนะครับน แ, แต่บางคนก็เขามีนิสัยมาก่อนเขาเป็นคนที่พ่อแม่เขาฝึกมีมาก่อนเขามีคนตระกูลดุลชาตินิสัยอ่อนน้อมถอ่อมตนมาก่อนก็ฝึกได้ไวไม่ต้องเสียเวลานานนะแต่บางคนที่พ่อแม่ก็ไม่ได้ฝึกปุยญาตาญิญายก็ขาไม่ได้ฝึกมาไม่เข้าวัดวารามพอมาถึงรุ่นเราก็มาเจอแล้วโอ้เราต้องฝึกหนักเพราะต้องไปใช้นี่ท่านเหล่านั้นด้วย ท่า น, นั้นสั่งส่งมาเยอะเลยนิสัยสันดานที่ไม่ดีทั้งหลายใช่ไหมมาเป็นเราเนี่ยแต่พรท่านแต่ท่านไม่มีโอกาสได้พบสัมมาสติของผู้ที่เจ้างี้แต่เราได้พบใช่ไหมเราก็ต้องไปใช้หนี้ชาระหนี้ให้กับท่านอะไรที่ท่านนำมาผิดพลาดทั้งหมดเราต้องไปชำระให้ท่านดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสามารถชำระหนี้ของของบาปของวงตะกุลได้อะท่านมาว่า เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็มาปรากฏที่จิตใจของเรานี่เองใช่ไหมถ่ายทอดมาเป็นเมลดพืชคือนิสัยสันดานของเรานี่เองถ้าเราสามารถดัดสันดานของเราได้ mm hmm. ก็หมายความเราไปชําระบาปอคุณกรรมทั้งหลายที่บรรพบุรุษเหล่านั้นให้เรามานี่ามาคิดอย่างนั้นนะแล้วก็เมื่อท่านเหล่านั้นพ้นจากวิวากกรรมเราก็พ้นไปด้วยไงถ้าเราท่านเหล่านั้นเราชําระท่านเหล่านั้นไม่หมดเราก็ ย, ยังไ ม, ไม่หมดเหมือนกันเพราะมันรากเดียวกัน ไม่รู้ว่าสื่อมากี่คนก็ตามฮการบรรลุธรรมครั้งหนึ่งมีความหมายต่อบรรพบุรุษ อ, อีกหลายหลายหลายสิบคนหลายร้คนจะเบื้องหลังเราที่ผ่านมาเ e x t Generation ก <Next Generation S 2> ็อยูแ่แค่เราอย่างพุทธิย่าแม้แต่พระเราหุ่นก็ไม่ให้งอกต่อยใช่ไหมก็ดึงมาบวดเพาะงัน็เจร g e n e r ไม่มีแล้วแต่ถ้าจะมี็ e x t g e n e r a t อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะอะไรเพราะอย่างพระโสดาบันเขาบอกว่าจะไปตัดจุ้ในวันข้างหน้าใช่ไหมอาจจะไม่ได้ตัดสรุปวันนี้เขาอเนกเทเลชันเป็นพวกปิชาตก็ไม่มีและดังนั้นขอให้เข้าสู่อริยภูมิแค่เป็นสัมาทิฏฐิเข้าสู่อริยภูมิได้แล้วนะคือ เ, เห็นถูกต้องนะพรเห็นถูกต้องเป็นพระโสดาบันก็ไม่ตนนกนรกละดังนั้นเองใช้ความพยายามเนี่ยอย่าเห็นเรื่องกรรมฐานหรือการสณะเป็นเรื่องเล่นนะเป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจังเพราฉะนั้นทุกวันนี้ใครไม่สนใจเรื่องนี้มัก็ไม่สนใจนก็ไม่เงิน ถ้าไปขืนไปสนใจเนียเขาบาปกว่เราด้วยนะเนี่ยก็ต้องปล่อยเขาไปตามคำก่อนจนกว่าวันหนึ่งเขาทุกข์มากพอเขาจะาหันมาสนใจเพราะอารจะออกจากทุกข์จากวัตฏานี่ไม่มีทางอื่นเลยนอกจากทางนี้น่ะนอกจากทางที่องมาเจริญสติปัญญาเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยแต่ว่าคนไหนที่ใส่ใจตั้งใจที่จะรู้จ้งสายมาให้เต็มที่เลยเวลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเพราะร้อยคนพันคนมันจะมีสักคนหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องใส่ใจเขาเต็มที่อ่ะ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตามาถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตนะแต่เรามีโอกาสแล้วไม่ทํามีโอกาสแล้วไม่พัฒนาอันนี้น่าเสียดายมากแท น, นที่จะไปสวรรค์นิพพานกลับไปสู่อวัยภูมเหมือนเดิมอ่ะที่เราเคยเป็นมาในอดีตมันไม่คุ้มกันนะนะดังนั้นเองในจุดนี้เราจะต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกนะเวลาจะลุกจะนั่งแย้งหาความสมดุลให้ดีนั่นคือหาความสมดุล น, นะ ความสมดุลระหว่างสุขและทุกข์ถ้ามันสมดุลไม่สุขเกินไปและไม่ทุกข์เกินไปถ้ามันสุขเกินไปขาดสมดุลไหมขาดถ้าทุกข์เกินไปขาดสมดุลไหมแต่ถ้ามันพอดีสุขพอดีทุกข์มันอยู่ได้สบายใช่ไหมยังฝนแต่นั่งเป็นนานรู้สึกหนักมากเนี่ยเกินสมดุลหรือยังจิตมันไม่จิตมันบอกว่ายังแต่กายมันไม่ไหวแล้วอะอากายมันจะตายให้ได้ เพราะนเอาความอยากข้างในเป็นประมาณไม่ได้มันไม่มีตัวแต่ร่างกายที่เห็นทนท้อเดี่ยต้องแก้ไขมันให้สมดุลก่อนให้มันรับได้ถ้าบางคนขอตามใจอ่ะฉันจะนั่งอย่างเนี้ยกายแกช่างหัวมันมันไม่เที่ยงน่เป็นอันทุขังทุขังอันนี้จังนะตาไม่ใช่ของเราไฟนู่นเลยบางคนเอาอย่างนั้นะมันไม่ได้นะต้องปรับดุลสมดุลกายสมดุลจิตให้พอดีพ่อกายมันก็เหมือนรถใช่ไหมไอคนขับ ใจมันก็เหมือนคนขับเราจะบอกกูขับเก่งใช่ยังรถแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวใช่เหียอไม่ให้เต็มที่เลยเหยียบไปเหยียบมารถพังหล้วคนขับม่นเกงแค่ไหนไปไม่รอดอยู่ดีอร่างกายจิตของเราจะอดทนเข้มแข็งแค่ไหนแต่ไม่ดูแลร่างกายถ้าร่างกายพังเมือไงจิตอยู่ได้มไหมล่ะไม่ได้เนี่ยนึกบอกให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายให้ความเป็นธรรมแก่กายด้วยความเป็นธรรมแก่จิตด้วยแล้วมันถึงจะไปได้นะฉะนั้น ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะ้มนหมดเวลาแล้วนี่มันจะพูดไปเลยหมดเวลาทุกทีไพราจะเริ่มตัวเอาวันนี้วันนี้นนคือจุดท้ายขอเพิ่มหน่อยก็แล้วกันรบทวนหน่อยก็แล้วกันว่าในส่วนของการดูรูปดูนามดูความรู้สึกอมาเน้นให้ดูที่เวทนาเพราะเวทนาเป็นตัวรูปของกายและจิตกายเข้าสู่จิตจิตเข้าสู่กายโดยอาศัยเวทนาเป็นตัวผ่าน เพราะนั้นถ้าเราดูเวทนาชัดๆตัวเดียวมันก็เห็นทั้งกายทั้งจิตเลยเพราะเวทนาเป็นสะพานเชื่อมในขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญ, ญาณสัญญาสังขารมี ญ, ญ, ญาณเป็นนามรูปก็เป็นรูปแต่เวทนาเป็นได้ทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามจะเป็นรูปนามก็ได้เป็นนามรูปก็ได้เป็นนามล้วนๆก็ได้แล้วแต่ว่าตัวแปลของมันโดยสติของเราเวทนาตอนนั้นถ้าหากว่าเรามากำหนดรูปกายเวทนาตอนนั้นก็คือมีสติในรูปนามใช่ไหม ถ้ากำหนดรู้จิตความคิดที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นนามรูปแต่มาดูเวทนาไม่ให้มันไปทางกายไม่ให้มันจิตเป็นนามเฉยๆเป็นปัญญาเห็นไหมมันเป็นประตูทั้งสามประ ต, ตูเป็นประตูนรกสวรรค์ที่ผานไดนะ้ดังนั้นเมื่อเราจะเน้นดูเวทนาให้เป็นรูปเป็นนามเป็นนามไป็นรูปเราก็ต้องดูรากมันให้จบสิว่าเวทนาสุกเวทนารากมันยาวไปถึงไหนทบนัวนอีกทีนะ สุขเวทนาคือความสบายทางกายที่ขาดสติกําหนดรู้ขาดปัญญากําหนดรู้พัฒนาเป็นตัวโสมนัสส์เวทนาคือความพอใจใช่ไหมไร like. นะแล้วก็พอความพอใจเกิดขึ้นฉันก็เพลินด้วความพอใจอีกไม่รู้ว่าฉันอยากจะเอาอย่างเนี้ยคือชอบเหลือเกินเนี่ยไม่มีสติกําหนดรู้เป็ น, ปนไปตามความอยากความชอบใช่ไหมตัวโสมนัสส์เราเลยพัฒนาเป็นอะอะไรนะ พิชานะไม่ใช่อภิชานะอภิชาแปลว่าอยากจะให้ตัวความพอใจเนี่ยมากขึ้นเพ่งหาวิธีการเพ่งหาวิธีการที่จะให้มากขึ้นเพิ่มเพิ่มจํานวนจานหนึ่ไม่อิ่ .2 ซอสสองจาก็เลิกกันในตรขอนี้อาภิชาก็ยังไม่มีสติตกำหนดอภิชาก็พัฒนาเป็นอะไรนะเพลินในในสิ่งนั้นเรียกว่านันทินั้นพอไปพัฒนาไปเป็นนันทิแล้วสติก็ยังตจำรู้ไม่ได้อีก นันที่ก็กลายเป็นราคาะเพราะราคะคือความพอใจที่ชัดเจนมีความหมายแล้วก็ยังไม่หยุดก็เป็นกามราคะกามาฉันทะต่อไปเรื่อยๆการาคะกามาฉันทะต่อไปก็เป็นตัวโลภะเออตัณหาก่อนดิจะเป็นตัวตัณหากา ม, มาตัณหาเพราะว่าตัณหายิกว่าตัณหาไปพอไปถึงตัณหาก็ยังไม่มีสติตามรู้อีกก็พัฒนาเป็นโลภะ เป็นโลภานุัยต่อไปไปถึงโลภะอยากได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นสิ่งเป็นของแล้วก็ยังไม่สติก็ยังไม่ได้อีกก็พัฒนาไปเป็นตัวกามุปาทานกามาสวะกามุปาทานก่อนพัฒนาไปเป็นกามุปาทานแล้วก็ยังไม่ตามรู้เป็นกามาสวะละเอียดยิบเลยทีนี้เป็นนิสัยเลยทีนี้เห็นไหมตั้งหลายลากอันนี้เฉพาะตัว สู่เวทนาอย่างเดียวนะพอไปถึงทุกเวทนากเาเาเา็เอาไปข้าวเวทนาชักไปไกลแล้วนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผู้ได้เห็นเย่อๆลากรู้ทั้งมันว่าเราให้ความสําคัญต่อเวทนาเพราะว่ามันมีรากตั้งแต่ต้น จ, นจนจบเนี่ยมันลึกมากดังนั้นเราจึงใส่ใจเป็นพิเศษเามาได้กล่าวหลายครั้งว่าผู้ที่ใส่ใจเป็นพิเศษสนใจเป็นพิเศษเมื่อฟังธรรมที่พระเจ้าตรัส เรื่องนี้แล้วเนี่ยได้บรรลุทําในขณะนั้นเน่ยเป็นใครเผู้หลายครั้งท่านหลที่บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยฟังธรรมชื่อเวทนาชื่อท่านอะไรยืมสมส่วนจําได้อภาษาริบูดพูดได้ฟังตั้งหลายครั้งแล้วเอพูดได้ฟังมาได้อ๋อทุกทีฉันจาไม่ได้แล้วภาษาลิบูดเป็นผู้เลิศทางปัญญาเพราะใช้เวทนาเป็นนิมิตอารมณ์ ปัญญาเกิดมากมายเลยใช่ไหมเป็นธรรมศรนาบดีนะเพราะฟังธรรมชื่อเวทนาพฤติการสูตรเพราะว่าการสุนทนาธรรมระหว่างผู้ทีเจ้ากับหลุงของท่านอาจารย์ที่ขานาขา่ะเรื่องเวทนาถามก็ไปถาม ก, กันมาก็ปรากฏแล้วคนที่ไปเกตถวายงานพระอยู่ข้างหลังพระสารีบุตรไม่รู้ทำคนฟังข้างหน้าเป็นพระโสดาบันแต่คนฟั ง, งหลังเป็นพระอรหนันต์ทำมเทศนากันเดียวนั่นแหละนะ ดังนั้นเรื่องนี้เราจึงประหม่าไม่ได้เลยยมฝนเมื่อยมฝนฟังเรื่องนี้คงจะลดราวาสองลงมากเพราะรูสึ <c oughs> คงจะไม่ลดลงพมากันนะ่ะลดลงไปเยอะคือต้องค่อยเรียกว่าลมเย็นระบาขึ้นอีกนิดหนึ่งเลยนะนิ่มลงนิหน้ึนิดหนึ่งมันก็จะสมดุลแนะ่ะแต่ถ้าหากโชคเชิงเฉยมาหาความสมดุลยากนะโยนลงไปหาศูนย์พอดีของอันนี้เอาปีกนกมาวางเมือน แรงนิดหนึ่งมันก็จะตกเนือแรงนี้ก็จะตกนะี้แรงนี้ก็จะตกนะี้ทําไงมันตั้งอยู่ได้โดยที่มันต้องใช้ความค่อยนิ่มนวลมากเลยใช่ไหมถึงจะวางลงไปไอ้ของเบาๆอย่าว่าแต่คนนกในบางทีอมาเอาไปเนี่ยปากกาเนี่ยนะกว่าจะวางได้เนี่ยโหวางแล้วเองมันต้องใช้ความพยายามมากเลยใช่ไหมลองไปฝึกดูยอย่าว่าแต่คนนกปากกาที่ก็ทำทั้งคืนบางทีไม่อยู่เลยนะ อันนี้คือวิธีการหาความสมดุลในตัวเองให้ทำจากวัตถุ ก, ก่อนวัตถุ ก, ก็ยังทำไม่ได้แล้วความรู้สึกอะเป็นไงง่ายไหม ย, ยากดังนั้นขอให้ใช้ชีวิตอย่างโยนิโสมนสิการนะมันเวลาจริงแหละขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะนำไปศึกษ า, าเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อให้เกิด เป็นสติสมาธิปัญญาสามารถรูแจ้งเห็นจริงทะลุปุโปรงในกายในใ จ, ในใจของเราเองด้วยกันทุกคนทุกทันคือปราวกัน